ต้นทุนสูงทีเดียวนะว่าต้องสเสียสละความสะดวกสบายหลายๆอย่างเสละลูกหลานบัรช่องเสียสละที่อยู่ที่นอนสบายมานอนกลางดินกินกลางทรายนันก็ก็คนที่จะได้รับประโยชน์และอ น, นิสงส์ของการมาครั้งนี้ไม่มากก็น้อยนะเป็นบุญกุศลที่สัมผัสได้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 มีสินห้าไม่ครบนี่เขาก็เรียกกับเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นมีข้อเดียวกับเป็นมนุษย์ยี่สิบเปอร์เซ็นมีสองข้อก็เป็นมนุษย์้สี่สิบเปอร์เซนมีสามข้อก็เป็นมนุษย์หกสิบเปอร์เซ็นมีสี่ข้อก็เป็นมนุษย์แปดสิเปอร์เซ็มีห้าข้อเป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นเลยก็เรียกว่าสินห้าอ่าขอละยี่สิบเปอร์เซนอ่าทีนี้เราก็ประเมินตัวเองออกเราเป็นมนุษย์กี่เปอร์เซ็นก็ดูที่สินของเรา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 ท, ท่านบอกไว้เลยถ้าเมื่อไรมันเกิดสมูทัยขึ้นมาก็ลาบากแล้วเราอยากจะไม่ให้มันทุกเป็นสมู ท, ทยัยเราอยากจะให้มันสบายเป็นสมู ท, ทยัยเราไม่อยากจะให้มันเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เป็นสมูทัยแล้วความอยากจึงเป็นสมู ท, ทยัยเราอยากจะนั่งนานๆแต่มันไม่นานมันเริ่มไม่สบายอยู่ที่นี่อยากไปที่อื่น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 ทุกต้องศึกษาทุกต้องทำความเข้าใจสมุทัยคืออยากจะให้มันทุกันเป็นอย่างโน้นอย่าง น, น, างนี้ต้องอย่าไปทาอย่างนั้นอย่าไปอยากเมื่อทุกล้าก็แก้ไขมันใช้มักเข้าไปแก้มักคือทำบ่อยๆคือแก้ไขบ่อยๆกำหนดรู้บ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆปรับไปเท่าที่ทาได้แล้วก็นิโรธคืออาการที่มันหายทุกแหละ